ทั้งหลายซึ่งในทำมาไม่อแน่ใจแล้วหรือยังการทำกรมฐานนี้ทําอย่างนี้ปัจจุบันมีความแน่ในใจแล้วหรือยังเพราะว่าอาจารย์ที่สอนกรรมถานนี้ถือว่นิ่มมากมีทั้งพระสงฆ์ด้วยมีทั้งฆรา่าสหลายคนเป็นอาจารย์กรรมฐานี อย่งนั้นว่าญาติโยมจะลังเลสงสัยในการกระทเนี่จึงไีถามอย่างนั้นถ้าเรื่องอของพุทธศาสนาคำสอนของพระที่เราปฏิบัตินี่ไม่มีอะไรอื่นจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจให้ชัดเจนจะทำจิตใจเราให้สงบได้เป็นมั่นคงอ่ะการทำจิตให้สงบ เรียกว่าการทำสมาธิหรือเรียกว่าการทำกรรมทานเนี่ยจิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่กับกรอบมากดูที่เราทำกันมาเห็นไหมละ่ะบางวันนั่งพับเรียบกสงบแล้วน่พับเรียบกสงบแล้วนนบางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สงบมันดิ้นออกมาอยู่จะ่นั้บางวันก็สบาย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 เดียก่อนน้อมความรู้สึกตามลมหายใจนะเราจึงจะรู้ว่าสติมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ไอความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันจะมารวมอยู่ตรงนี้อะไรเมื่อมักนี่มันสมัครีกันเมื่อไรเราจะได้มองเห็นหว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกก็าเป็นอย่างนี้ จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราถึงจะรู้จักอที่รวมของสมาธิรวมแห่งมัคคะสามกีในที่อันเดียวกัน mm. เมื่อเราทําสมาธิ mm. กํำนดจิตตรงกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวรอบๆข้างนั้ น, นไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้ เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันวางข้างนอกหมดรูรวมออกอย่างเดียวฉะนั้นี่มันวางข้างนอกอย่ามีความเนื่อวคนนี้นั่งอยู่ตรงโ น, น้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้อะไรวุ่นวายเนี่ยมันไมเข้ามาเราอย่างมันออกเสีว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าทำสัญญาอย่างนี้มันหมดไป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 ปล่อยสภาพมันให้มันพอดีแต่ก็นั่งดูลมหายใจนี่เขาออ้าเมื่อมันปล่อยอารมณ์้างนอกเสียงรถยนต์ก็ไม่ราคาญเสียงอะไรก็ไม่ราคาญไม่ราคาญสักอย่างหนึ่ง้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่ราคาญทั้งนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันไม่รับแล้วมันมารวมอยู่ที่ลมหายใจแล้วถ้าจิตของเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆมันไม่ยอมรวมเข้ามา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 มันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้ก็มีวุ่นวายติดมาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็กำหนดจิตใจแล้วให้ตั้งมัน่นแล้วก็สืดอรมเข้าใหมาที่สุดหายลมออกไปใหหมดในท้องเราแล้วก็สืดอรมเข้ามาไหมากที่สุดอักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีกกำหนดลมนั้นต่อไปอีกแล้วก็กลับมาตั้งส ต, ติ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 อารมณ์ละเอียดมันจะน้อยไปนอไปร่างกายเราก็เบาจิตเรามันก็เบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไปต่อ น, นั้นไปไอ้ความรู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างในเมื่อรวมเข้าข้างในแล้วไอ้ความรู้สึกอยู่ในที่มันรวมเกิดเมื่อรวมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัด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 เมื่อเรามองในที่อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกนั้นมันจะมีความมันจะมีความรู้สึกเห็นชัดหนึ่งลมเพราะว่าเรามีส ต, ติอยู่เสมอเดี๋ยเห็นลมชัดเอเห็นลมชัดเห็นส ต, ติมันมีส ต, ติชัดขึ้นมาเลยมีความรู้สึกชัดขึ้นมาหลายอย่างเห็นจิตอยู่ในที่นั่นรวมเป็นอันเดียวกันแคนี้มีความรู้สึกเข้าข้างในไม่ไม่ส่งออกไปข้างนอก ข้างนอกไอ้ใครมันหมดไม่มีใครไปทํางานเ่ะอยู่ข้างในบ้านนะรวมเป็นข้อนจะบายที่ความรู้สึกนั้นอวางจากข้างนอกบางทีมันก็มีความรู้สึกอยู่ประมหายใจนานไปดูลมหายใจเขาไปอีกจนกว่าที่มันละเอียดก็ไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปมดไปจากลมหายใจก็ได้ลมหายใจเนี่ย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 เสียงก็มีได้รูปก็มีได้มันมีทุกอย่าง้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะมันเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้เมื่อหากว่านิมิตเกิดขึ้นมาตรงนี้บางคนมันก็มีบางคนก็ไม่มีทีนี้ท่านจึงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนก็เห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วตกใจตกใจเพราะธรรมทามันมันลมมันมีอยู่เมื่อเราไปปราโบโจรมาลมไม่มีแล้วก็ ต, ตกใจว่าลมไม่มี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 อันนี้มันเป็นของแปลกอันนี้อืมอันนี้ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรเระทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มันคงเจ้าจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรจมาเสียดแทงอยู่ไปเท่าไหรก็ได้ไม่มีรู้สึกเวทนาเก็บปวดอะไรอยู่ น, นการทำสมาธิมาถึงที่นี้เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ ออกจากสมาธินี้ไปเลยออกสบายออกอย่างสบายไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเนื่อยออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาอย่างนี้ อ, อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรมันเิร็สบายถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้ อย่างนั่งวันนี้มันเข้าสมาธิจะมีๆตั้สามสี่นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งจิตใจของเราจะมีความเยือเกเย็นเป็นตั้งหลายวันเมื่อเมื่อจิตเยือเกเย็นหลายวันนั้นจิตเราสาดเห็นอะไรจะรับพิจรารณาถึงอันนี้มันเป็นเบื้องแรกของมันต่อไปนี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี้มีห น, น้าที่ทำให้สงบ มนะสมาธินี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งศีลนี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งปัญญานี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่อาการที่เรากำหนดในที่นั้นนะ่ะมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตามที่ปรากฏในใจของเรามันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิตรงนี้มีปัญญาตรงนี้เมื่อคิดเราสงบแล้วนะ่ะมันจะมีการทั้งวอนทั้งรวมเข้าด้วยปัญญ า, าด้วยกาลังสมาธิ เมื่อทั้งรวมเข้าละเอียดข้าวนะมันจะเป็นกาลังนะะมันจะไปทํากําลังช่วยสินในบริสุทธิ์ึ้นมามากๆเมื่อสินบริสุทธิ์ขึ้นมามากๆแล้วกันช่วยสมาธิเกิดขึ้นมากดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเป็นแล้วจะช่วยปัญญามันจะช่วยกันอย่างนี้เป็นไว้พดซึ่งกันในการต่อไปรอบอย่างนี้จนกว่าว่ามัดคือสินสมาธิปัญญานี่รวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะ่ะทํางานสม่ำเสมอกันแล้วนะ่ะ เป็นต้นจะต้องรักษากําลังอย่างนี้อันนี้เป็นกําลังที่จะเกิดวิปัสสนาคือปัญญาถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบก็มีกําลังแล้วเออไอ้ไม่สงบนี่ไปยึดมั่นมันเลยสงบคนไปยึดมั่นมันเลยเช่นนี้เราจะได้ปล่อยภาะอันนี้ใจเรามันจะเบาจะได้อารมณ์ที่ดีก็ไดกว่าสบายใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเขาเรียกว่าสบายใจ มีความใงหมกอยู่อย่างนั้นนี่อีกอันหนึ่งวันนี้บอกว่าเราหยุดทำกรรมฐ า, านแล้ววันนี้เราหยุดทำกรรมฐ า, านแล้วอิจที่ไม่ฉลาดระ ว, วางเลยไม่มีความรู้สึกนึกคิดในการงานของเราไอความเป็นจริงนั้นเมื่อเราจะออกจากสมาธิเราก็รู้จกกักว่าเราออกออกมาแล้ว วางเป็นปกติไว้ให้มีความรู้สึกมีสติดต่อมนเสมอไม่ใช่ว่าเราจะทำความสงบเท่าไหรอานั่งสมาธิเพราะว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นเราเดินอยู่แล้วก็ทำใจเราให้มั่นให้มีอารมณ์ ม, มั่นสมุมีสติสมัมปัฏัญญอยู่ไปเสมอออกจากที่นั่งนี่แล้วโอเราไล้ยินเสียงตาเห็นลูกจระเดินไปนั่งรถไปประามเถอะ ให้รู้สึกว่าอะไรที่มันชอบไม่ชอบแดงเกลียวเป็นอารมณ์ก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่เที่ยงตลอดเวลาอย่างนั้นจิตสงบเช่นนี้จิตสงบเชน่นนี้แล้วเราจะต้องเอาจิตอันนี้พิจารณาลงเช่นมา แปรรูปร่างกายทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณาถ้าพิจารณาเมื่อใดก็ได้เรานั่งสมาธิก็ได้เราอยู่บ้านก็ได้เราทํางานอยู่ก็ได้อะไรอะไรเราก็ได้เรานั่งพิจารณาอยู่สักระยะไม้เห็นต้นไม้ใบไม้ที่มันร่วงลงมาอย่างนี้เี่ยเราเดินไปก็เห็นใบไม้มันร่วงลงมาอยาู่อันนี้มันก็ไม่แน่เหมืนอนนั่นนี่นะเหมือนกรเราวมันกันแหละเนี่ยเอี เมื่อมันแก่มาแล้วมันก็ร่วงไปใบไม้ก็เหมือนกันเล่าก็เหมือนกันอย่างนั้นไอ้คนโน้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะนี่เรียกว่ายกขึ้นสู่ปัญนาจะมีการพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงการเดินการเดินการนั่งการนอนมีสติติดต่อกันเรื่อยเสมอๆนี่เรียกว่าการฝึกกรรมฐานที่ถูกต้องเราต้องสะกดรอยติดตามอยู่เสมอที่เราทำมันอยู่วันนี้ย วันนี้หนึ่งทุ่มเนี่ยมาทําสมาธิกันอย่างนี้นั่งในชั่วโมงหนึ่งจะไปหยุดกันใจก็เลยหยุดได้ไหมพิจารณาอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หยุดการหยุดการกระทํานี้หยุดในพิธีกรรมเฉยๆให้ความรู้สึกติดต่อกันเสมอ ด, ด้วยอ่ะอาจารมาเคยให้ความเห็นบ่อยว่าเหมือนหยดน้ําเหมือนหยดน้ํา เราทำใ่จิตต่อกันมันหยุดน้งเพราะว่าเรามีส ต, ติไม่สม่ําเสมอการวันที่เราไม่ได้ทำเลยการกระทำนั้นไม่ใช่อย่างอื่นทำจิตทาไม่ใช่ร่างกายที่ทำจิตเป็นคนทาจิตเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ต้องไปนั่งสมาธิเราจิตจะประรู้สมาธิจิตเป็นคนทำ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 มันจะเป็นสายน้ําตลอดเวลามีสติอยู่ทุกเมื่อมีอารมณ์ ส, รร ม, สม่ําเสมออยู่ทุกเมื่อความผิดเกิดขึ้นมารู่ทุกเมื่อถูกเกิดขึ้นมารู่ทุกเมื่อความสงบเกิดขึ้นมารููทุกเมื่อวุ่นวายเกิดทุกอย่างเรียกว่ามีสติอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่สม่ําเสมอนี่อย่าอยู่ที่ไหนก็ดีว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ท่าทำจิตอย่างนี้เนีแ่ยบบการ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 เราออกมาแล้วก็นึกว่าเราเลยไปทำมีปัสนาแล้วดีอลไรออกมาก็ไปเส้นรำทำเเราเพลงแบนสนุกสนานยังหมดแล้วเนี่ยทำอย่างนี้มันจะมีอะไรเล่าก็ไม่มีอะไรกันแล้วเนี่ยไปทำความชั่วต่างๆทาจิตของเรากระทบกระเทือนเสียหายหมดแล้วปีหน้ามาอีกไปทำกรรมถานอีกเ็บวันคิห้าวันเดือนหนึ่ง พอเสร็จเดี๋ยวไปออฟไปอีกแล้วไปเต้นราอีกแล้วไปร้อกเพลงอีกแล้วไปกินเหล้าอีกแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติเป็นปฏิปทานอะเนี่ยเป็นปฏิปทานะั้นนั่นันั้นเดี๋ยวต้องพยายามละเห็นโทษมันนะเห็นโทษในการดื่มสุราเห็นโทษในการเข้าบาร์เห็นโทษในการทําทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงออกได้มันจึงถอนตัวมาได้ ความสงบนั้นจึงจะมีไม่มีโทษแต่ความสงบจิงจะมีนะอันนี้เลยว่าเราทาที่ถูกต้องที่เราทําในเจ็ดวันเข้าไปสามวันไม่ต้องพูดอะไรกันนะไม่พูดเจ็ดวันมาพูดอยู่แต่เจ็ดเดือนมาล้องอยู่แต่เจ็ดเดือนไม่พูดเจ็ดวันเท่านั้นนี่มันจะพุ่งกันไงล่านี่ขอให้ทายกไยิกาเราท่างหลายท่านป ร, รู้ท่างหลายให้ให้เข้าใจอย่างนี้ ี่พยายามทำให้มัติดต่อกันเห็นโทษในสิ่งนั้นเนีน่ยมันติดต่อกันเสมอเรื่อยๆแต่นั่นเนีเ<อ>่ยกิเลสมันก็จะหมดได้อย่างนั้นในเจ<อ>็ดวันไม่พูดเลยเเไม่เล่นยอีกสี่หาเรือนเลี่ยมดิ้นตรงนั้นน่ยไม่สังวรสั ง, งรมก็หมดเท่านั้นไม่มีเหลือแล้วขณะเราไอหาเงิน่ะ ห, า, หาเงินวันนี้ในสาก่อน ต้มาซื้อกินหมดห้าวันวันนี้มันจะมีเงินที่ไหนก็หมดตอนนั้นอันนี้กูมันกันกันนั้นอันนี้เตือนนะขอโทษเลยนะขอโทษด้วยนะฮะจงพูดไปอย่างนั้นจะมาพูดเนี่ยไอ้ที่เห็นผิดเนี่ยมันต้องเห็นในีชัดเจนมันจึงเลิกมันได้ที่เรามาทำกันนี่ก็ได้มาทําเพื่อจะม่ให้ไปทำความผิดต่อไปทําความผิดทำไมเพราะความผิดมันเดือดร้อนมันไม่ดีมันไม่สงบมันอย่างนั้น ก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าทำเจ็ดวันไม่พูดกันเนี่ยไปเล่นกันเดือนสองเดือนสั้นเล่นกันกนนัะ่แะนจะถึงเจ็ดวันมันจะคุ้มอะไรกมื่อไรนะ่นี่ก็ทำไปอย่างนั้นแหละนี่